ก็พูดถึงในเรื่องของเวทนาก็พูดถึงในเรื่องของกระฐานจากพิกเวพิกขุเวทนาสุเวทนานุปัตตีวิหรติอีทาพิกเวภิกขุเป็นต้นเหล่านี้นะดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอย่างไรเล่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ศัพท์นี้ไม่ต้องอขยายแล้วคําว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อีธาภิกขุเนี่ยก็แปลว่าภิกษุ คือผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏเป็นต้นในความหมายของว่าภิกขู่เนี่ยหรือสมณะที่หนึ่งหมายถึงพระโสดาบันก็มีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นคือศาสนาของพระพุทธมีพระพาคเจ้าสมมาณะที่สองคือพระสกท า, าคามีสมณะที่สคือพระนาคามีสมณะที่สคือพระอาหารหันต์ก็มีอยู่ในศาสนาของพระพุทธมีพระภาคเจ้านี้เท่านั้น เหตุที่ศาสนาของพระพูทมีภาคเจ้านั้นมีสมณะที่1นึ่สามสนั้นก็เพราะว่าศาสนาของพระผู้ธมีภาคเจ้านั้นมีเอกายโนอายังพิกเว็บครับผมเปนดูก่อนพิกษจน์ต่งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกหรือเป็นทางสายเดียวก็หมายคือว่าในศาสนาของโลกโรมศาสดานั้นมีอริยมัชมีองค์แฉะนั้นเมื่อมีอาริยมัชมีองค์แอริยมัชมีองค์แมีในคําสอนของท่านผู้ใด ตำนาที่หนึ่งสสก็มีอยู่ในคําสอนของท่านพูดนั้นฉะนั้นคําสอนของพระูพภาคเจ้านั้นเน่ยเป็นคำคำสอนที่ประกาศประกาศอริยอริยมรรคมีองค์แปประการถามว่าเวทนาเนี่ยเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานอันนี้เป็นสติปัฏฐานเหรอไหมถามว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเป็นเอกายนามรรคไหมเป็นไม่เป็น ต้องบอกว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติให้สังเกตดูนะตอนท้ายอ่ะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าไอ้ที่บอกว่ า, เ, า, า, ว า, วาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิ ช, ชาและโทมนัตในโลกเดียได้หตรงนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสติปัฏฐานโดยเฉพาะเวทนานุปัสนาเนี่ยคำว่าเวทนาคําหนึ่งคําว่าอนุปัสนา น, นี่ยอีกคําหนึ่งใช่ไหม เวทนานี่เป็นชื่อของเวทนาเจตสิกรหรือเป็นชื่อของเวทนาขันธ์ส่วนอนุปัสสนานั้นเป็นชื่อของเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาเป็นต้นเป็นชื่อของอนุปัสนามีเท่าไหร่เรืนอนุปัสนาเจ็บแต่ที่เรากล่าวกันแบบหลักใหญ่ๆเลยในะกราบสาวอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาแล้วก็อนัตานุปัสนา การตามเห็นการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นเรียกว่านิจานุปัสนาใช่ไหมถ้าตามเห็นพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์อันนั้นเป็นทุกขานุปัสนาถ้าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตานั้นก็เป็นอนัตตานุปัสนาเนี่ยนีทีนี้ในทางด้านของอนิจจานุปัสนาเป็นต้นเหล่านี้ที่ว่าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยง อันนี้จะละอะไรได้เนี่ยพิจารสัญญาได้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นสุขแปลว่าพิจารณาเห็นเวทนานี่นะอันนี้จะละสุขสัญญาคือความจําหมายว่าเป็นของสุขเป็นต้นได้อนาตานุปัสสนาพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอัตตาอันนี้ก็จะละความเป็นอัตตาสัญญาได้นิพิทานุปัสสนาก็คือพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายก็คือไม่ยินดีก็จะละความยินดีได้ส่วนวิราคานุปัสนาก็คือพิจารณาเห็นด้วยความคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดเนี่ ย, ยแล้วก็นิโรธานุปัสนาก็คือพิจารณาเห็นด้วยความดั บ, รรมดบไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นควารรมเกิดแล้วก็ปฏินิสคานุปัสนาก็คือพิจารณาเห็นด้วยความเฉลาคืนไม่ใช่ถือมั่นที่บอกว่าอันแรกละถ้าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจะละนิจจสัญญา ถ้าพิจาราเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาพิจาราเห็นด้วยความเป็นอนาัตตาก็ละอัตตาสัญญาเบื่อห น, น่ายก็ละความยินดีได้คลายกำหนักก็ละความกําหนักได้เมื่อพิจาราเห็นความดับก็ละสมุทัยได้สะระคืนก็ละความยึดถือเป็นต้นได้ตรงนี้ก็คือท่านไปสรุปในตอนท้ายๆเนาะนี่ก็พูดถึงในเรื่องของเวทนาในครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของเท้าสักกะเป็นต้นไปตามลําดับ พูดในเรื่องของสมณสเวทนาที่อาศัยเนคข ม, ม้าแล้วก็อาศัยอาศัยเรือนผ่านไปแล้วประการต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของการเจริญวิปัสนาในโทมนัสเวทนาะในเรื่องของโทมนัสเวทนาะนั้นท่านก็ยกว่าภิกษุรูปหนึ่งเริ่มตั้งวิปัสนาในโทมนัสเวทนาะที่ยังมีวิตกและยังมีวิจารณ์แล้วก็มาไข ค, ควรพิจารณาว่าโทมนัสเนี่อาศัยอะไรเกิดก็จะทราบชาัดบอกว่าอาศัยวัตถุ แล้วก็ตั้งอยู่ในอรารัตผลเป็นต้นได้โดยลําดับตามในที่ได้กล่าวมาแล้วในหมวดภาษาเป็นที่5นั่นแหละว่างั้นภิกษุรูปนั้นก็คือว่าเริ่มตั้งวิปัสสนาในโทมนัสเวทนาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์แล้วก็ตั้งอยู่ในอรัตผลตามในที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันในโทมนัสนั้นโทมนัตที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณประนีตกว่าที่ยังมีวิตกยังมีวิจารณ์โทมนัตในวิปัสสนาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ประณีตกว่าโทมนัต ในวิปัสนาที่มีวิตกและมีวิจาร์โทมนัตในผลสมาบัติที่ยังไม่ที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เท่านั้นที่แปลนี่ดกว่าโทมนัตในผลสมาบัติที่ยังมีวิตกมีวิจารณ์เพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าเราใดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ปลนี่ีกว่าดังนี้เออท่านกล่าวในลักษณะอย่างนั้นทีนี้พอมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าไปไข้ควรอะไรกลัปไปไข้ควรอย่างนี้ไข้ ค, ควรบอกว่า พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของโทมานัสเวทานาเคหสิต่างเนี่ยก็เรื่อโทมานัสเวทานาที่มีควรเสพคําว่าไม่พึงเสพเนาะไม่พึงเสพโทมนัสเห็นป่านนี้จริงๆครั้งที่แล้วยังไม่ได้พูดในรายละเอียดนี่ยรายละเอียดของสมนะครับกเข้าใจโสมานัสกันแค่ไหนเรายังไม่รู้เล ย, เยคืออย่างนี้ก่อนเนาะตั้งหลักให้ถูกก่อนสมานัสที่อาศัยเนกขมมา ก, ก่อนโสมานัสที่อาศัยเนกขมานี่ยแต่อาศัยกามาคุณที่เข้าใจแล้วเนาะ อาศัรูปแสงกินรสสัมผัสนี้เข้าใจแล้วทีนี้โสมนัสที่อาศัยเนคขมมะไอคัมมะเนคขมมะเนี่ยชื่อว่าโสมนัสที่อาศัยเนคขมมะได้แก่ผู้ที่เกิดโสมนัสบอกว่าเราได้ขวนขวายวิปัสนาแล้วเพราะขวนขวายวิปัสนาก็เร่งเราขวนขวายเริ่มตั้งวิปัสนาด้วยอำนาจแห่งไตรละก็หมายความว่าที่จริงคนที่เขาเจริญวิปัสนาเนี่ยเบื้องต้นจริงๆก็คือว่าท่านมีความเข้าใจรูปนามกัน5เป็นอย่างดีใช่ไหม คนที่จะเจรินวิปั ส, สนาในเข้าใจรูปรขันเวทนาทัญญาสังขาันยานค่อนข้างชัดเข้าใจตาหูจมูกเลี้ยงกายใจค่อนข้างชัดเออเมื่ อ, อวานกับเอเมื่อวันก่อนรพระท่านพูดบอกว่ารู้สึกจําบาลีไม่ได้ท่านมหาจําได้ในธรรมบทที่บอกเกิดเป็นคนไม่ควรเป็นไม่ควรเป็นคนโรคโลกบาลีว่าไงเนี่ยจำไม่ได้เนีเขาก็นึกนี่เขาไปแปลรู้สึกจะมีคํ า, าว่าโลกวถโนใช่ไหม ไม่ควรเป็นคนโรคโลกแต่ภาษาไทยเราจะมาแปลว่าเกิดเป็นคนไม่ควรเป็นไม่ควรทําตนเป็นคนโรกโลกแปลว่าอะไรวะยอมมองคลรู้ไหมแเราจะอธิบายยังไงยอดสมารโ์โร้ดโทรศัพท์นี้ถ้าสมจะคิดอย่างความเข้าใจของเราเนี่ยเกิดเป็นคนไม่ควรเป็นคนโรกโลกก็แปลว่าอย่าดื้อยอย่าอะไรต่างๆอย่าไปทะเลาะเบา<ม>แวงกับเขาอย่างเงี<ม>้ยวะอย<ม>่างเงี้ย ไม่มีสารละที่จริงคําว่ารคโรคในที่นี้จริงจริงโดยศัพท์โดยความหมายจริงคืออะไรรู้ไหมเกิดเป็นคนเนี่ยควรจักนิพพานได้แล้วอย่าอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโรคอย่าขยายโรคอย่าทําให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันขยายไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมตัวดวตฏฏสักทีนั่นแหละเขาเรียกโรคโรคใช่ไหมโดยมากคนก็เขาเ้าใจผิดใช่ไหะ นะเกิดเป็นคนไม่ควไม่ควรทับไม่ควรทําตนเป็นคนโรคโล ก, ลกอ้าแล้วยอมนอกแล้วเกิดมานานนี่ยังเนี่ยนะแล้วเมื่อไหรจะได้พุทธภาเศสนี้เข้าอยู่ในใจอีเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วไม่ยอมดับขันท่าระยะชนะสักทีอย่างนี้ลบไหมเนี่ยลกย้อนว่าเองเนะไม่แช่ธรรมะว่า ก็แปลกดีนะบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจพุทธพจน์เนาะเราเนื้อว่าพระพุทธเจ้าจับไม่ชอบการเกิดเลยการเกิดมันเป็นทุกข์ตอนนั้นเขาออกนักธรรมไงเอาธรรมบทนี้มาออกโอ้โหให้แต่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพาสิทธ์กันยังไงแต่งกันใหญ่โอ้โหเกิดเป็นคนควรเป็นคนดีอย่าดือ้ออย่าเลยตากอธิบายกันสารพัดเลยเดี๋ยวนี้ใครมีปฏิภาสยังไงอธิบายกันใหญ่โยสมสบายโอ้โหแล้วได้ ได้ร้อยคะแนนเต็มก็มีนะทั้งๆที่ใบปิดกลยน <c oughs> <c oughs> ี่ทแม่กองทาจนทงแม่กองทำจน้ําหลอมก็โอ้ยให้ดีจไม่มีใครตกเลยวะเนี่ยไปไม่เข้าใจพุทธประสงค์เขาใหญ่ยังนั้นอย่ า, อ ย, าอย่าขยายตาหูจมูกลิ้นกายใจพอแล้วควรจะพอได้แล้วเ <c oughs> วทนาเป็นโลกไหมเห็น <c oughs> ไหมเวทนาก็เป็นโลกโลกหนึ่งนะ สุขเวทนาเนะี่ยคือโลกทุกขเวทนานะี่ยแหละคือโลกแล้วก็อทุกขมสุขเวทนาก็คือโลกอย่าให้โลกคือเวทนาเนี่ยมันเกิดอยู่เรื่อยๆมันจะกลายเป็นคนลบโลชใช่ไหมต้องตัดต้องเวทนานี้เมื่อดับแล้วอย่าให้เวทนาใหม่มันกำเริบขึ้นมาใหม่นี่มันสร้างเวทนาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยตรงนี้ก็คือท่านก็ตั้งวิปัสสนาการที่ท่านเชี่ยวเนคขมานั้นก็เพราะว่าผู้เกิด ผู้ที่เกิดสมณัตว่าเราได้ขวัขวาเจริญวิปัสนาแล้วอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราได้เริ่มตั้งวิปัสนาแลยเกิดโสมณัตบางอย่างได้ตั้งวิปรณาโดยเกิดโสมนัตได้ย่างเอางี้คนที่เขาพิจารณาโดยความเห็นโดยความเป็นของโดยทิฏฐิวิสุธทธิบริสุทธิ์แล้วนะสามารถแยกแยะอันนี้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นบัญญัติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนีน้เป <x 6> <x 6> ็นบัญญัติสัตว์บุคคลชายหญิงเป็นต้นเขาเข้าใจชัดเจนเลยไม่ลุ่มหลง ต่อมาในที่สุดจริงๆก็ก็เข้าใจปัจจัยของรูปปัจจัยของเวทนาสัญญาสังข า, ารวิญยางชัดว่าวิชาตันหากรรมเนี่ยเป็นปัจจัยของรูปเวทนาสัญญาสังข า, ารมีญยางอย่างไรใช่ไหมแล้วก็ไปเข้าใจภาษะไปเข้าใจอาหารกวลิงกะาอาหารเป็นปัจจัยของรูปอย่างไรแล้วก็นิปติลักษณะใช่ไหมเป็นต้นอันเนี้ยแล้วเข้าใจภาษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาอย่างไร สัญญาสังขารก็เข้าใจภาษาเป็นปัจจัยของสัญญาขนันสังขาระขนันแล้วเข้าใจนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณขันอย่างไรแล้วก็เข้าใจนิพพติลักษณะคือลักษณะแห่งการเกิดขึ้นของรูปะขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยชัดอันนี้เขาเรียกว่าเข้าใจลักษณะเกิดปัจจัยที่เกิดแล้วก็เข้าใจตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชัดด้วย ประการต่อมาก็คือพิจารณาว่าวิชาตันหากรรมดับกวริงกรหาหันดับเป็นต้นอะไรเนี่ยนะแล้วก็วิปริณามารักษณะคือลักษณะการดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานเข้าใจภาษาเข้าใจนามรูปเป็นต้นที่ทั้งเหตุเกิดและเหตุดับปัจจัย เ, เขาเนี่ยนะทั้งตัวเข้าใจปัจจัยและเข้าใจปัจจัยุบันใช่ไหม พอเข้าใจอย่างนี้อย่างชัดเจนเบ็ดเสร็จในส่วนจริงก็ไปอย่างลงเห็นว่าปัจจัยไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงพอมาวิจัยในลักษณะเบ็ดเสร็จอย่างนี้ก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษเห็นโทษของรูปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในสังสารวัตรอะทาไมจึงเห็นโทษที่ไปเห็นโทษที่บอกว่าพิจารณาโลกคือเห็นเวทนาเป็นทุกขโตด้วยความบิดทุกข์ แล้วก็พิจารณาด้วยความเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศอนเป็นความลําบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นสภาพชํารุดแล้วก็เป็นเสนียดจันไหลใช่ไหมเป็นอิติโตะแล้วก็เป็นของอุบาทเ้อเจ้าสมัยก็เวลาไปรับพรพระทั้งส่สัพพีติโยใช่ไหมวิวัชันติพอพระท่านบอกความชันไรทั้งพวงจงบลลารบัลลาร์ไปแล้วก็บอกสาธุใช่ไหมนั่นแปลว่าอะไรแท้จริงรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระเจ้าบอกเป็น เป็นความเจริญนะเพราะงั้นเธอทั้งหลายอย่าแบกตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยลูกเวทนาสัญญาสังขาดีนะแล้วก็สาธุเราคิดเงิ้นไหมเอาเวลาพระให้พรสัพพีติโยเนี่ยโยนสมานคิดเงินจริงป่ะเรียกว่าพระให้พรใช่ไหมตัวรูปขันเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณเนะี่ยเป็นเป็นเสนียดเป็นตัวเสนียดเป็นเป็นความเจริญมันนํา ม, มาซึ่งโทษอย่างมากมา หนักไหมคำนี้แต่เราก็รับพรกันหน้ายิยนดีเลยใช่ั้ม <c oughs> เรานึกว่าเราจะโชคดีเพราะคําว่าสปีตีโยนี่แหละทีนี้ผู้ผู้ผู้สวดก็ไม่รู้ผู้รับก็ไม่รู้วันนี้ไปรับพรมาพระท่านให้พรชื่นใจนท่านบอกไงความจันไรทั้งปวงจงบําราดไปขันของขันของโยมจงวิบัติไปนะและอย่าได้แบกความจันไรนี้ กลับขึ้นมาแบกอย่าถือกลับมาขึ้นมาแบบแล้วก็สาทุขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเรายอมรับได้ไหมถ้าถ้าเจอคำถ้าไปไปเจอความหมายที่แท้จริงยังไงยอมมงคลยอมรับได้ไหมโอ้ล็อกแคนแค่เลยยิยุ่งเลย อายอมรับหมว่าวยิ่งยิ่งรูปประขันเวทนาทัญญานต่างขันยานเป็นอย่างนี้นเป็นเสนีน ย, ยดหมและต่อไปอยากรับพรพระ <s iff at> ม้าอยากครับจะได้ยิ้าราความเป็น อ, ปนอย่างนี้ก็จได้ยิ่งไยามจะได้เป็นยิรุ่งคหมที่แท้จริงนะว่ายิ่งจะต้องน้อมทาไปเรื่อยๆฉะนั้นต่อไปพระฟ้าถ้านให้พรก็รีบน้อมคิดเลยนะ บอกโอ้ยข้าพรเจ้าก็ปราถนาจะดับรูกเวทนาสัญญาสังขารยันซึ่งมันเป็นเสนียดใจไรนี่แหละเจ้าข้าก็บอกอยนี้คิดอย่างนี้เลยนะจำนวนเอางั้นเลยนะบอกว่าแม่มันลําบากก็เกินเกิดมาก็เดี๋ยวต้องรับใช้พ่อแม่อะไรสารพัดก็ไม่รู้จะศึกษาว่าทำก็ไม่ได้ค่อยเด่นที่ยะนึกเป็นบุญกันได้น้อยอะไรเนี่ยนะนักรณีอย่างนี้ก็คือเวทนาขันก็เป็นหนึ่ง ในขันห้าพอพิจารณาเห็นด้วยความเป็นโรคเป็นหัวผีเป็นลูกศรเป็นเสนียดเป็นต้นเหล่านี้เนาะทีนี้พอเหตุอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่สารณน้ไม่ใช่ที่พึ่งแล้วไม่ใช่ที่ต้านทานภัยทั้งหลายแล้วพอพิจารณาเบีดเสร็จอย่างนี้ใจก็น้อมออกจากขันพอโน้อมออกจากขันแล้วก็มีนิพพานเป็นอัจฉาิยะนั่นแหละตรงนี้แหละท่านก็เกิดสมมนัดขึ้นเกิดสมมานัดขึ้ น, มม น, นบอกว่าต่อไปเราจะหลีกออกจากขันนี้อย่าง ตั้งใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วและจะไม่น้อมยินดีในขันใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เร่งรีบในการที่จะขวัญขวายจเจริญวิปัสสนาด้วยจิตที่เป็นสมนัติเดิมนานการเห็นไตรลักษณ์เห็นปัจจัยที่ไม่เที่ยงแล้วก็เห็นปจัจจยุบานของสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เที่ยงเห็นทั้งเหตุเห็นทั้งผลของเขาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตา เมื่อเห็นอย่างนั้นเราก็เกิดความโสมนัสขึ้นมาก็ขนขวายอย่างนี้นะทีนี้เห็นอย่างไงเห็นในอารมณ์ที่น่ารักซึ่งมาสู่ครองในทวารอย่างนี้เป็นต้นก็ให้สังเกต ด, ด้วว่าแม้โสมนัสเวทนานะความยินดีในความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแม้ในธรรมอารมณ์ใช่ไหมซึ่งเข้ามาสู่ทางครองของ จากขุทวันโซตัทวานคณนัตโซนชิวหันวารเป็นต้นที่เป็นปัจัยเกิดสมณะเป็นต้นเหล่านี้พอเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้เวทนาเหล่านั้นสมณะที่อาศัยเนคขมะหอย่างเรียกฉะเนคขมะนิสิตานิสมณสานิเป็นชไหนก็คือกอบุคคลผู้มีความรู้ความเที่รูปทั้งหลายไม่เที่ยงมีความแปลปวนเป็นธรรมดาคลายไปดับไปแล้วเห็นซึ่งรูปนั้นได้ปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า รูปทั้งหลายทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้รูปนั้นทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็เกิดโสมนัสขึ้นว่าโสมนัสเห็นป่านนี้ชื่อว่าโสมนัสที่อาศัยในคขมะเสวิตตพังเนี่ยนะพึงเสพก็คือโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยหน้าทิ่งเนคขมะด้วยหน้าทิ่งวิปัสนาด้วยหน้าทิ่งการระลึกระลึกอะไรอนุสติอนุสติยะด้วยหน้าทิ่งปฐมฌานเป็นต้นชื่อว่าพึงเสพตรงนี้ท่านพูดหลายในเลยนะ ถามบอกว่าตัวเนคขม้จรงิจร ง, ร ง, รงๆเนี่ยตัวออกจกากรรมตัวออกจากรรมรูปทั้งหลายเมื่อก่อนและบัดนี้เป็นต้นนั้นพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณตรงเนี้นะตรงนี้ท่านก็มาขยายขยายในเรื่องของอะไรขยายในเรื่องของให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นทุกข พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิตญาณโดยความเป็นอนัตตาเป็นต้นหเหล่านี้ยในลักษณะอย่างนี้ในธรรมพิจารณาบอกคําว่าอนัตตาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปเห็นคําว่า น, นิจจังเป็นต้นด้วยในคําสอนที่พระบรมศาสดาบอกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็หมายความว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุกี่ประการเพราะเหตุสีประการในสี่ประการก็คือไม่อยู่ในอนานาจไม่มีผู้เป็นใหญ่ สนะสามก็คือว่างเปล่าสี่ก็ปฏิเสธอัตราในเรื่องนั้นบอกว่าสภาพที่อยู่ในอำนาจคือสภาพที่ไม่มีใครเป็นใหญ่นะไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยในความคิดบอกว่ารูปที่เกิดขึ้นอย่าตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่อย่าครําค่ารูปที่คร่าค่าอย่าแตกสลายอย่าลำบากและเกิดความและเพราะการเกิดขึ้นและดับไปเลยในลักษณะนี้ถามว่าในกรณีที่รูปารมณ์เป็นต้น ที่น่ารักน่ายินดีน่าเพลิดเพลินที่เข้ามาสู่ทางครองของจกอักรวารดิเม็ต้นเนี่ยเรามาพิจารณาบอกบางครั้งเราได้ได้เห็นรูปนะเราก็ชื่นชมใช่ไหมเช่นยังไงเราไปเห็นสภาพบุคคลที่เขาประพฤติปฏิบัติดีนะกระทาดีต่อเราเพราะกระทาดีต่อเราเราก็คิดบอกว่าแม้วันนี้เขาทาดี ก, ากับเราใช่ไหมถามว่ารูปที่เกิดขึ้นนะั้นจมตั้งอยู่บอกไอ้สภาพที่เขายิ้มแย้มแจ่ ม, มใสกับเราเนี่ย เมื่อตั้งอยู่เนี่ยอย่าคําค่าแล้วก็อย่าแตกสลายไปอย่าได้มีการดับไปเลยทําได้ไหมเห็น ไ, ไหมสมัยก่อนยมผู้หญิงของยมสมานใช่ไหมหน้าตาไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าออขอรูปนั้นเนะี่ยอย่าได้หายไปจงเป็นอย่างนี้เถอดอย่าได้มีการดับไปเลยให้คงอยู่อย่างนี้แล้วมันเป็นไปได้ไหมเราเป็นใหญ่ไหมเนี่ย ทั้งฝ่ายยอมผู้หญิงก็แต่ก่อนยอมสมานเมื่อห้าสิปีที่แล้วเป็นแบบนี้ที่ไหนใช่ไหมอันนี้ถามว่าบางทีก็เผลอตกใจเลยใช่ไหมพอเปิดไฟขึ้นมาตอนตื่นหมหม่ก็ตกใจเลยบางทีเหมือนมังคนก็เล่าไปปังนอนกับภรรยาเขาบอกตื่นมาตอนตื่นร้องเสียงหลงเลยนึก่าใครนี่นี่ลำบากและใช่ไหม เห็นไหมว่าสภาพต่างๆมันน the ี้บอกว่าไม่เป็นใหญ่จริงๆและอย่างหนึ่งก็คือว่าสภาพที่ไม่มีใครเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็สภาพที่ว่างเปล่าคือสภาพที่ว่างเปล่าจากผู้อาศัยมีผู้อาศัยไหมมีผู้กระทำไหมไม่มีมีผู้เสวยไหมเห็นไหมไม่มีไม่มีผู้เป็นใหญ่ผู้อาศัยแล้วก็ผู้ผู้กระทําผู้เสวยนันไม่มีหรอกมาละเหตุกับปัจจัยเยอะไหม และผู้เป็นใหญ่เพราะปราศจากบุคคลเช่นนั้นและสภาพที่ปฏิเสธอัตตาเพราะไม่มีสภาพเป็นอัตตาเหมือนเดรธีอัตตาชีวะอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าพิจารณาบอกรู ป, ปันใจทิทางพิกเวดูก่อนพิกจุดต่งางๆถ้ารูปเป็นอัตตาและรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาธในที่นั้นก็คือไม่เป็นไปเพื่อความค่าค่าหรือดับและบุคคลพึงได้รูปนี้ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเป็นต้นเป็นต้นแล้วเนี่ยนะพระดรําร m a ที่บอกอัตตาอาภาิสสเป็นอัตตาแล้วโดยความหมายว่าถ้าเป็นอัตตาที่มีสภาพคือเป็นผู้กระทําผู้เสวยแล้วอยู่ในอานาจคนตนเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่รูปนี้มีโรคาพาศก็ไม่พึงเหมาะสมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ารูปเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่อัตตาโดยธรรมด harma ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายรูปมีโรคาพาศ เพราะไม่ใช่อัตตาแต่ทรงสแสดงบอกว่ารูปไม่มีแกนสารตัวตนเพราะเป็นอนัตตาเมื่อเข้าใจว่ารูปมีโรคาพาศเนี่ยรูปมีโรคาพาศจึงไม่ใช่อัตตาดังนั้นพระองค์จึงทรงสแสดงบอกว่าไม่มีใครเป็นใหญ่ในรูปและรูปก็ไม่อยู่ในอำนาจของใครๆด้วยพระดำดรัสบอกว่าไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชารูปรูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้ดูทีนี้พอมาถึงในเวทนาก็ในลักษณะอย่างนี้แหละเช่นเดียวกัน พอเราพูดถึงในเรื่องของรูปเมื่อกี้รูปที่มาปรากฏทางตาจะให้เกิดโสมนัสเวทนาท่านให้ไข้ควรรูปเป็นต้นเวทรูปเอยเสียงเลยกลิ่นเลยรสเลยสัมผัสเป็นต้นที่เป็ น, ปนส่วนของรูปธรรมแม้โสมนัสที่เราเคยยินดีตรงนั้นนะ่ะในรูปที่น่ารักหน้าเพลิดเพลินหน้ายินดีเป็นต้นที่เกิดขึ้นแต่รูปเหล่านั้นหายเกลี้ยง ไ, ไอตัวเวทนาก็เป็นแบบนั้นแหละไม่เที่ยงเป็นรูปแล้วก็เป็นอ น, นัตตาตรงนี้จึงบอกว่า ลักษณะที่ไม่ใช่อัตราด้วยตำหนิว่าสิ่งยังดอกสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ตราข้อความที่บอกว่านิจจังบันเตอไม่เที่ยงอนะไรเนี้ยที่บอกรูปเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปจึงเป็นของไม่เที่ยงก็หมายความว่ารูปที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยที่พร้อมเบียงกันแล้วก็ก็ไม่เกิดขึ้นระดับศูนย์ไปจึงเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไม่คงที่เพราะแปรปรวนอีกอย่างหนึ่งรูปไม่เที่ยงเพราะเหตุเหล่าแบบนี้ก็คือว่ามีสภาพเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดํารงอยู่ชั่วขณะ แล้วก็แปรปวนเป็นที่สุดปฏิเสธความเที่ยงวีต้นเหล่านี้ตรงนี้แท้ที่จริงเกินการเกิดขึ้นดับไปของรูปเบทนาสัญญาสังขานิยาเนีนมีอยู่ทุกขณะนั่น เ, เขาถึงใช้คำว่ารูปประสันฐานนามสันติอ่ะมันจะเกิดดับรวดเร็วมากเร็วยิ่งกว่าถ้าโดยโดยโด ย, โดยความปัจจัยก็คือว่าแม้ในขณะที่เรานั่งอยู่ใช่แต่ปัจจัยมันเปลี่ยนรูปมันก็เปลี่ยน แม้ลักษณะอย่างนี้นะยอนสมัยพิจารณาอย่างนี้บอกว่าดูในส่วนของรูปธรรมแล้วเปรียบเทียบกับเวทนายิ่งเร็วมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าในกรณีที่จิตของเราเนี่ยนะในขณะที่เกิดโลภะจิตพอเกิดโลภะจิตตอนนั้นจิตตอกุศลจิตตชรุบที่เกิดจากโลภะก็เป็นไปอยู่ใช่ไหมถ้าสภาพจิตโลภะดับไปโทสะเกิดแทนจิตตชรุบที่เกิดจากโลภะหายไปหมดหรือยัหายหมดแล้วเห็นไหมตัวปัจจัยมันเปลี่ยนตัวรูปธรรมมันก็เปลี่ยน อาต่อมาโทสะเกิดไม่โกรธเรือเกินตอนนั้นรูปธรรมที่กําลังเป็นไปในกราชกายทั้งสิ้นเป็นอกุศลจิตจัตยรูปไม่ยอมเนาะพอโทสะดับไปรูปนั้นเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนเอาต่อมาเป็นกุศลสมณัตที่เป็นเวทนาสมณัติี่ละเกิดขึ้นเป็นไปอยู่เอาเกิดศรัทธาด้วยเป็นสมณัตด้วยกําลังเป็นไปอยู่ตอนนั้นรูปธรรมทั้งหลายที่กําลังเป็นไปในรักราชกายทั้งสิ้นก็เป็นกุศลจิตจัตยรูปใช่ไหมปกคุมรูปกายเป็นไปอยู่ ้ต่อมาตัวกุศลสมนัตที่เป็นเวทนานั้นดับไปรูปธรรมดับไปด้วยไหมเนี่ยเป็นแบบเนี้ย้อนทำไมนี่เราไม่ค่อยเห็นปัจจัยของเขาไงถ้าเราดูตัวเวทนาปุ๊บเราจะเข้าใจรูปธรรมไปด้วยเข้าใจไหมโยมเนาะมันจะเป็นอย่างนี้สรุปแล้วมันเปลี่ยนกันมาไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ดูแค่จิตแต่ชรลมเนี่ยเราจะเห็นใช่รูปไม่ต้องพูดถึงทุกขณะเอาทีเนี่ยเมื่อกี้ที่เราจะทําอะไรกันต่างๆเหล่าเนี้ยจิตที่มันคิดจะฟัง เหนเป็นไปอยู่แต่สภาพจิตนั้นเป็นไปอยู่อ่าในขณะที่ฟังไปฟังไปพอเกิดความง่วงปุ๊บเนี่ยกุศลหายไหมหายเสร็จเลยอ่าในขณะที่ง่วงเกิดขึ้นมาเบียดเสดอเป็นอกุศลตอนนั้นก็อกุศลจิตตชีโล ป, ปกคุมรู ป, ปกายทั้งสิน้นไหมปกครองอ่ตอนนี้มันหายไปเพราะพลาดทักษ์รูปธรรมอันดับไปอย่างไหนนั่นเนี่ะอกุศลจิตตชีโรบดับแล้ว นึกนกเป็นอกุศลใหม่ไหมไม่พอใจเรากำลังจะได้ความสุขใช่ไหมนึกอย่างนั้นแล้ว่าคือเห็นไหมมันจะมันจะมันจะเป็นไปตามลําดับนี่มันก็เป็นลักษณะนี่ตรงนี้ท่านถึงบอกว่ามันออดำลงอยู่ชั่วขณะคือดํารงอยู่ชั่วค่าวมีสภาพแปรปวนเป็นที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่แปรปวนโดยแท้จริงแล้วเนี่ยรูปมรกประสบความพินาศมีความแปรปวนเป็นที่สุดเพราะถึงความเปลี่ยนแปลงด้วยการเกิดขึ้นและความดับไปเป็นต้น เห็นไหมปัจจัยมันดับปิดปัจจัยมันเกิดก็เกิดปัจจัยดับก็ดับนี่เราไม่ค่อยมองเห็นตรงเนี้ยเช่นโทสะเกิดจิตตะชรูปที่เกิดจากโทสะก็เกิดโทสะจิตมันดับไปรูปธรรมที่เกิดจากโทสะมันก็ดับไปด้วยในนี้ปัจจัยเกิดรูปธรรมเกิดปัจจัยดับรูปธรรมก็ดับแม้ในตัวโลภะเองเนี้ยนะตัวเวทนาเองก็เกิดจากปัจจัยเลยเนี้ย มีทั้งสมัติยุะแตปัจจัยมีทั้งสาสชาตปัจจัยอะไรเยอะแยะหมดจริงไหมอย่างน้องที่นี้เราไม่ค่อยได้ไข่ควรในตรงเนี้ยลือปะข่าวสารบ้านเมืองปิดหมดมเห็นแล้วเห็นแต่แดงเดืเหลืองก็อยู่นี่ในเวทนาเหล่านั้นสมณะที่อาศัยเนคขม้าหกอย่างเนาะตรงนี้ก็คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในอารมณ์ที่น่ารักมาสู่ครองของตะวันทั้งหกเป็นต้นเขาเรียกว่า ก็เมื่อบุคคลรู้ความที่รูปทั้งหลายไม่เที่ยงแปรปวนคลายไปดับไปแล้วก็เห็นรูปทั้งหลายด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็จริงว่ารูปทั้งหลายเมื่อก่อนได้บัดนี้รูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาก็เกิดโสมนัสโสมนัสเห็นปันนี้เรียกว่าสมนัสอาศัยเนคขมะเสวิตตพังพึงเสพพึงเสพสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยเนคขมะก็แปลว่าถ้าหากว่าในขณะที่เจรเดินมิปัสสนาน่ะพึงเสพสมณัสเหล่านั้น เมื่อเกิดสมนัตก็เป็นปัจจัยการเจริญวันาอย่างหนึ่งหรือด้วยอานาจของอนุสติคือตามระลึกตามเลิกเกิอนุอนุสติคือจริงๆอนุสติทั้งหมดจะเป็นปัจจัยแก่การระลึกได้ก็ได้หรือการตามบรรลุโสมมนาตอย่างนี้ก็ได้เป็นต้นแล้วด้วยอํานาจของปฐมฌานก็ได้ ท, ทุติยฌานตติยฌานจตุทัตฌานเป็นต้นเนี่ยพึงเสพทั้งนั้นปฐมฌานเรียกว่าเนี่ขมาไหมเพราะอะไรอ่ะ ออกออกจากกรรแล้วใช่ไหมด้วยมนาะงานขบในบทเหล่านั้นสมณัตอันใดมีวิตกมีวิจารณ์คือในสมณัตที่อาศัยเนคขมะแม้นั้นก็ต้องรู้ว่าสมณัตที่เกิดขึ้นด้วยหน้าทิ้งเนคขมะเดินหน้าท้งวิปัปนาเดินหน้าทิ้งการตามเลึกอนุสติและเดินหน้าทิ้งปฐมฌานเป็นสมณัตที่ยังมีวิตกยังมีวิจารณอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการมีวิตกมีวิจาร์ท่านในปฐมฌานก็มีวิตกวิจารจริงนะใช่ไหมสมณัตอันใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ คือสมนั้นที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแงทุติยชาและตัดยิชาเราตรงนี้คนไม่ได้มีพื้นฐานข อ, องอริยธรรมนี่คิดยากไหมยยากไม่ยากบางที้เคยได้ปฐมพิชานี่ยังเ อ, อมันบากเลยชาติที่แล้วเคยได้มาแล้วเนะาะบางคนเชื่อไมว่าตวเองเคยได้ปฐมพิชานไปแล้ว <Yeah. S 1> นั่นแหละเราเรียนเรื่องเก่าเ ร, เรื่องเรื่องใหมเ่เรื่องเก่าเนระื่องเก่าเนี่ยมาเรียนใหม่มาลืม นั่นจะแปลกใจไม่ใช่เรื่องยากแต่ก่อนเคยเดินอย่างคล่องแทลวมาแล้วแต่ตอนนี้มันหลายศตวรรษมันเลยลืมอยากจะกลับไปเป็นอย่างเก่าไหมมันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อชีวิตที่ผ่านมาเมื่อบางครั้งเราเกือบจะได้พ้นทุกข์ไปแต่พลาดไปทำกรรมอะไรก็ไม่รู้แทรกเข้าไปเสร็จเลยตอเนี้ยเนี่มเป็นแบบเนี้ยก็เลยขยายโลกดูเรื่อยเลยใช่ไหม กายเป็นคนโรคๆไปเลยลำบากเลยทีนี้ก็คือว่าสมณะที่อาศัยเนกขมมะเนี่ยนะเรื่องน้าถึงวิปัสนาเรื่องนาถึงการตามมฤตย์เป็นต้นยังมีวิตกวิจารณถ้าในทุติยชานเป็นต้นก็ไม่มีวิตกไม่มีวิจารคําว่าเราใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารปราณีความว่าแม้ในสมณะทั้งสองนั้นสมณะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ปราณีกว่าก็แปลว่าในปฐมชานมีวิตกมีวิจาร์หรือ ในกายมจิตนั้นมีวิตกมีวิจญาณ์อย่างนั้นก็ต้องจัดว่าประณีตเป็นไปตามลําดับเนาะที่จริงถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวเวทนาขันเนี่ยถ้าพูดถึงประณีตหรือไม่ประนีตนะท่านคิดอย่างนี้ก็จะไม่เอามาขยายท่าเหมือนจะขยายนิดนึงเนะเรื่องประณีตละเอียดและประณีตเนียหยาบและประณีตเนี่ยวิธีคิดจริงๆก็คือว่าคําว่าละเอียดประณีตเนี่ยก็ ค, คิดอย่างนี้หยาบและประณีตต่างกันโดยชาติบ้างสภาพบ้างบุคคลบ้างโลกียะบ้างโลกุตระบ้าง เช่นอกุศลเวทนาเป็นเวทนายาอกุศลเวทนายาอกว่ากุศลเวทนาและก็อัพยากตะเวทนาเป็นเวทนาที่ละเอียดอย่างเงี้ยเวทนายาและเวทนาเอียดแตกต่างกันโดยชาติเป็นเบื้องแรกก็คือว่าอกุศลเวทนายาอกุศลเวทนาเพราะมีสภาพไม่สงบเนื่องจากทําให้มีโทษและมีสภาพเผ่าร้อนด้วยกิเลสคือราคาโทสะโมหะเป็นต้นอกุศลเวทนามีราคาโทสะโมหะเจี่ยปนไหมยอมมงคล อกุศลเวลาโทสะเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาหยาบไหมหยาบเพราะมีรามีโทสะเกิดขึ้น <Yeah. S 1> มีโทสะอิสามาชริยะกุกุจจะเกิดร่วมอย่างเงี้ยโลภะเนี่ยสมมันั้นในโลภะเนี่ยหยาบไหมหยาบที่จริงถ้าเบก็ต้องหยาบเพราะเป็นอกุศลเวทนาใช่ไหย <Yeah. S 1> แต่หยาบหยาบทำไมเราชอบะ <Yeah. S 1> เห็นไหมทั้งๆ ท, ที่ว่าหยาบนี่แหละ อาหารสองชนิดอันหนึ่งให้สซมานัตอันนี้ก็ให้กูเบขาเนี่ยยมมงคลอยเรือกอาหารปรเวทหนเนอา ถ, ถ้ากินอันนี้ก็ไปจะได้สซมานัตถ้ากินอันนี้ก็ไปจะได้โทมนัตเอาไหนเอาสซมานัตเห็นไหมอ้าทำไมแม่โทมานัตเป็นประโยชน์แกร่างกายด้วยทําไมไม่เอากินก็ขมกินก็ยากเหมือนกินยากิกนโอขมเลยแต่อันนี้โอยหวานเหลือเกินเห็นไหม ศาตร์โลกเนะี่ยพร้อมที่จะยอมเอาโสมนัสเวทนาทั้งๆ ท, ท, ที่ตนเองจะทรมานหลังอย่างนั้นไปอีกไม่นานก็อ่ำฉลาดไหมยอมว่าเองนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมเอาเด็กๆ เ, เ, เนี่ยนั่งเกลียดเลยอธิบายสรรคุณก็เลยอ่ะเอาขนมอีกประเภทที่ว่ามีมีผงชูรสเยอะๆก็อธิบายนี่โอ้โหผงชูรสเยอะแต่อร่อยให้โทษต่อร่างกายใช่ไหม แล้วก็บอกเขาเนี่ยไอ้นี่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากผักเอ้ยผยไม้เนี่ยให้เด็กๆเขาเนี่ยเขาไม่กินนะเ้าจะไปกินเน่ยกอบแก๊บกอบแ KB โดยอากาศกินกอบแ KB ผู้ใหญ่ก็เป็นไหมแล้วนี่เลยอยากออกอยากทุกข์เห็นหน้าท้อแท้เหลือเกี้บอกโหยเบื่อเลือเกินว่างนั้นนะอยากจะออกจยากทุกข์อย่างเร็วๆเหลือเกินทำกำลังทำอะไรกำลังกินขนมเกือบกุ้งก็เกี่ยวกุ้ง กินก็ื่นใจเลยดูสิเนี่ยไอ้ติดเวทนาหยาบเยอะไอ้เวทนานประฐมฌานก็ไม่ยอมไปติดด้วยทีแ้าจริงเป็นเวทนาละเอียดแล้วก็สุขขุมประณีตกว่าด้วยไม่น้อมหาด้วยทําไปเอาสิเร่งรีบในการเจริญอ น, นุสติทั้งหลายใช่ไหมใครควรพิจารณาไปตามลำดับหรือเจริญเพื่อ ย, ยังปฐมฌานเป็นต้นในเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะได้เวทนาที่เป็นสมณะเสวทนาที่ละเอียดกว่าเวทนาในกามคุในคุในการการมจิตกระตือรือร้นไห ม, ไมเอ า, เอาขนาดเอาเวทนารอกก็ไม่เอานะนันจะติดที่มันเคยไงมันก็อยู่กับเวทนาหยาบๆนี่เลยเอาแล้วทุกเรื่องเป็นแบบนี้หมดถามว่าเสื้อผ้าเนี่ยใส่แล้วก็ร้อนใช่ไหมแต่ใส่แล้วรูดด้ดูดีมันได้สมณะก็อีกกันนึงมันเหมาะแก่สภาพด้วย แล้วดูว่าเหมาะกับสภาพร่างกายของเราด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแต่ใส่ไปแล้วคนอื่นไม่ชมอะแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบอะแล้วจะใส่แบบไหนใสสแล้วเราเราก็เอาเวทนาพิจิเป็นสมานาเวทนาที่อยู่กับโลภะนี่ก็ไปคิดไอ้ตรงเนี้ยไปคิดได้วิจัยจริงๆว่าโอจริงๆไอ้พวกตัณหาทั้งหลายแล้วมันก็ยินดีสมานะเนี่ยเราไปเสพสมานะอาศัยเรือนอยู่ด้วยเลยสมณนะที่อาศัยเนกขมมะมันก็ไม่ค่อยออก มันจริงๆแต่ข้อที่จริงเป็นแบบนี้นะแล้วประกาศว่าจะพ้นทุกมัเจ้าไหวไหมยอมบางคนไหวไหมเนี่ยยอมแพ้ยังยอมไหอยังพอบอกว่าอ้ยางเนี่ยเขาถามมาสู้ไหมของตัวเชื่อไหมไอ้ไกิเลสสมารเนี่ยข่ำกิเลสสมาร์มันข่ำมันมันคิดมันจับทิศทางได้โอ้เนี่ยในสังสารวัฏ ห, หลายๆก็ทำท่าคิดกันอย่างนี้เลยเพราะทท่า คือถ้าได้ปัจจัยภายนอกเกือ้อหนุนหน่อยก็ค่อยทําที ท, ทําท่าอย่าทําท่าเข่งนิดเคยเป็นั้มมาโอ้ย ท, ทําท่าจะกําหนดหน่อยไข้ควรหน่อยพิจารณาหน่อยการกิเลสหน่อยพอไม่ได้ปัจจัยก็อยู่คนเดียวหน่อยหันซ้ายเลยขวาไม่มีใครลูปกินเต็มที่เลยเต็มที่เลยอันไหนอร่อยที่ตากใหญ่ตาเลยไม่เป็นงั้นเคยเป็นอย่างไงไนมก็ติดกระสมมนะเจวิตรนาในเรื่องอาศัย ฉะนั้นังว่าอกุศลเวทนานั้นหยาบกว่าพยาคตาเวทนาที่เป็นวิบากเพมีสภาพขนขวามีความมายามมีผลมีสภาพเร่าร้อนด้วยกิเลสและมีโทษอกุศลเวทนาก็ะหยาบนะเป็นสภาพที่หยาบด้วยการอย่างนี้ส่วนเวทนาที่เป็นกุศลอวยาคตาละเอียดกว่าอกุศลเวทนานะตรงกันข้ามกันดังที่ได้กล่าวเวทนาที่เป็นกุศลและกุศลทั้งสองชนิดหยาบกว่าพยาคตาเวทนานะอันนั้นก็ไปไล่เรียงดูอันนั้นหยาบต่างกันยังไงเพราะว่ากุศล แม้ละเอียดกว่าอากุศลแต่อกุศลเขาก็หยาบ ก, กว่าเ อ, อกุศลเวทนาเขาก็หยาบ ก, กว่าพยาคตาเวทนาเพราะเป็นสภาพที่ขนขวายอพยาคตาเขาไม่ต้องขนขวายแล้วใช่ไหมไม่ต้องขนขวายแล้วแล้วก็ไม่ต้องมีความเพียรเพื่อมีวิบากแต่อพยาคตาเวทนาสิเขาละเอียดกว่าเวทนาเหล่าเนาะทุเวทนาหยาบ ก, กว่าสุขเวทนาและ อุเบกขาวเวทนาสุขเวทนาและเวขาเวทนาเพราะทุกเวทนาไม่น่าปรารถนามีการสัดสายทําให้สะดุ้งกลัวแล้วก็ครอบงําเวทนาเราอื่นถต่ว่าวทุกขเวทนาเนี่ยซัดสายไหมทําให้สะดุ้งกลัวไหมอาสะดุ้งกลัวไปยมมงคลทุกขเวทนาเนี่ยกลัวไหมกลัวทุกขเวทนาในอบายุูมไหมน่ากลัวไหมทุกเวทนาของพระเทวทัตนะในเวจีอ่ะ ทุกขเวทนาของสัตว์นรกเปรตจุลกายสัตว์เดรัจฉานเปรตจุรกายทุกขเวทนาของมนุษย์เป็นโรคมะเร็งเ่ยเป็นโรคเรื้อนเน่ยเป็นต้นเน่ยฉะนั้นทุกขเวทนาเหล่านี้เราท่านทั้งหลายยังไม่พ้นนีคนที่เป็นพระโสดาบันยังไม่เป็นโรคร้ายโรคร้ายหายก็แสดงว่าเรานั้นน่ยยังไม่มีโสดาปิมารประชุมในกระแสขันใช่ไหมโอกาสจะเป็นโรคหนัก โอกาสที่จะได้ทุกขเวทนาเหล่านะั้นมีอยู่รู้อย่างนี้แล้วเลว่นขวาอย่างไงเล่งอย่างไงเฮ้ hey, ถ้าถามเงินจริงๆว่ามั่นใจไหมโยอมเนาะว่าชาติต่อไปเนี่ยเราสุขติงแงๆเลยมั่นใจไหมเอ๊ะ hey, ถ้าไม่มั่นใจเวาลากลับไปบ้านเป็นไงนอนสบายเอ๊ะ <c oughs> hey, จริงๆถ้าไม่มั่นใจต้องเร่งรีบไหมเอ <c oughs> hey, ๊ถ้าทะลุรู้ว่าเราเนี่ยจะตกจากฐานะ <c oughs> นี้แล้วเนี่ย <c oughs> แปลก บ, บุญยจงหมดแล้วเนี่ย จิงจรงมั่นใจนะว่าพบต่อไปได้ดีกว่านี้นะมัน่นใจไหมไม่แน่ใจเลยใช่ไหมไม่มีหลักประกันเลยใช่ไหมเอาก็มาเรียนธรรมะทุกวันนยะ ม, มาราชน่าจะแปล น, น่าจะลัพายายมน่าจะหรือว่านายเนียบานน่าจะเห็นคุณความดีบ้างคิดนี้ว่า <Okay. S 1> ไปต่อรองได้ไั้ม <Okay. S 1> อุ้ยเจ็ดวันเนี่ยฉันเรียนธรรมะครึ่งวันอ๋อ <laughs> เพิ่งวันเรียนตั้งใจจริงๆได้ชั่วโมงนังนั้นหลับบางไม่หลับอันนี้บานยิ้มเลยอ่าดูเขาแก้ตัวไปก็ก็ตรงนี้คือสะดุ้งกลัวก็คือตรงนี้ทุกเวทนาที่มันยังไม่พ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความต่างกันของประเภทของเวทนาหยาบเวทนาละเอียดนะนะเวทนาก็คือนั่นแหละถ้ามีอาสวะโอค้าโยคะกันฐานิวรนเป็นต้นเหล่านี้โอ้โหเป็นเวทนาที่ไม่ละเอียดเลยนะนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราคนกันคือเวทนาที่ประกอบกับกายยามญาณจิตที่เป็นอกุศลนวิบากถึงจะเป็นเวทนาละเอียดเพราะเป็นอัพยากระตะโดยประเภทแห่งชาติแต่กลับเป็นเวทนาหยาบโดยประเภทโดยโดยความเป็นสภาพเนีเป็นต้นอัพยากตะเวทนาเป็นเวทนาละเอียดทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบเวทนาของผู้ที่ไม่เข้าสมาบัติก็เป็นเวทนาหยาบเนี่ยต้องนี่ชัด เราท่านทั้งหลายยังไม่ได้ปฐมฌานยังไม่ได้ทุติยฌานยังไม่ได้ตาติยฌานเวทนาของเราก็หยาบันเป็นไปตามแบบท่านก็ไปคิดดูตรงเนี้นะไปวิจัยดูกันแล้วกันวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเราได้เวทนาประเภทไหนถ้าใครมีประเภทโทศาสตร์จิตเกิดมากก็เวทนาหยาบมากโลภ